ล้มลุกลุกลานสแสวงหาทางพ้นทุกข์ยากลำบากมากมายเหลือเกินเสรนจใจท่านห่วงคนอื่นสงสารเกิดความการุณาขึ้นในใจถ้าพ้นทุกข์ไปคนเดียวก็สง ส, งสารคนอื่นก็พกเปลี่ยนสแสวงหาทางพ้นทุกข์แล้วก็จะได้มาสอนต่อ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 บรรลุพระอราหันต์ไปท่านไม่บรรลุอะไรเสร็จแล้วท่านได้รับพยากรนะว่าวันหนึ่งข้างหน้าอีกสียสงไขยแสนมหากัปส่งไข่หนึ่งก็สิบยกกำลังร้อยห้าสิบประมาณนั้นบางควนว่าร้อยสี่สิบแปดสียสงไขยแสนมหากัปทําไมต้องมีคำว่ามหากัปกับมีหลายกับ มหากัปเป็นอายุของจักรวาลาพวกเราก็มีอายุเฉลี่ยของมนุษ ย, นย์เรื่องอายุกับอายุกับเจ็ดสิบห้าปียุคเกี่ยวของเราเนี่ยประมาณเจ็ห้าปีอายุเฉลี่ยของมนุษย์เรียกว่ากับหนึ่งท่านสร้างบารมีนานจนทังมาเกิดในชาติสุดท้ายนยีก่อนชาติสุดท้ายท่านเป็นพระเวสสันดร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 ดูยากๆเลยนะแต่กลับมาจบลงที่ฐานบารมีแท้จริงแล้วการปฏิบัติทมนะทำไปเพื่อทำลายความยึดถือในอัตตาตัวตนยึดถือรูปนามเป็นตัวกูของกูท่านทำฐานบารมีท่านกล้าสละกระทั่งชีวิตนะไม่รักตัวกูของกูละกล้าสละตัวนี้ไป ยอมตายเพื่อธรรมะได้นี่บารมีมาเต็มกันตรงที่ยอมตายเพื่อธรรมะได้เนะมื่อเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระโพธิสัตว์ไปภาวนานะทีแรกก็ไปหัดกระลือีกก่อนออกจากวังตอนเป็นฆราวาสก็มีความสุขมากนะมีปราศาทสามฤดูอะไรต่อไดนะ้มีความสุขสเสรวยกามสุข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 ที่น่ากลัวซ่อนเร้นอยู่ภายใต้ความสุขภายใต้ความสวยงามนี่ใจที่บารมีเต็มแนละ้วมองเห็นในพระใจปีโดกก็มีหลายองค์ที่เป็นแบบนี้องค์หนึ่งคือพระยศะพระยศ ะ, ะเป็นลูกเศรษฐีมีปราสาทสามฤดูเหมือนกันคำว่าปราสาทก็คือเรือนที่มียอดอย่างเรือนของเราหลังคาก็ธรรมดาไม่มียอด ไมเรียกปราสาทปราสาทที่เรือนยอดก็มีปราสาทอยู่รวยเนะี่ยท่านเคยสร้างบารมีเคยทํางานแบบปอเต็กตึงเก็บสมไม่มีญาติพระยาศากด์เก็บศมไม่มีญาติเอาไปเผากับเพื่อนๆเป็นทีมทีมปอเต็กตึ้งของท่านห้าสิบห้าองค์ช่วยกันทําอยู่ในปราสาทแท้ๆนะอยู่กับสาวๆเยอะแยะ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 พนางเขมาหรือท่านหลงโรกหลงความสวยความงามในบารมีท่านเต็มมันได้ฟังธรรมะแล้วก็เข้าใจขึ้นในคนที่หลงอยู่ในความสุขความสบายโอกาสจะภาวนาให้ห่างโลกไปยากโลกมันมีแรงดึงดูดมากนี่ชจาชายศิท ธ, ธัตถะหรือพระยาา่าสรในีบารมีท่านเต็มท่านเห็นความไร้สาระของโลก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 ก็เป็นอรูปอันหนึ่งชื่ออากาสานัญจายตนะไปเพ่งจิตรักษาจิตไว้ก็เป็นอรูปอันหนึ่งชื่อวิญญาณัญจายตนะน้อมใจไปอยู่ในความไม่มีอะไรเลยชื่ออากิญจั ญ, ญายตนะอันเนี้ยที่พระเจ้าไปเรียนจากอาลาลดาบทคืออากิญจั ญ, ญายตนะถ้าจาอากิญจั ญ, ญายตนะทันที่อยู่กับความไม่มีอะไรเลยนะ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 อยู่ก็ผุดขึ้นมาว่าอันนี้คืออันนี้อันนี้คืออันนี้ตามองเห็นพระพุทธรูปเห็นทีแรกยังไม่รู้ว่าพระพุทธรูปมีดีเลย์ไทม์นิดนึ่งก็สัญญาผุดขึ้นมานี่หมายรู้ว่าพระพุทธรูปพอหมายรู้ว่าจิตก็ปรุงต่อใช่ไหมว่าพระองค์นี้สวยพระองค์นี้ไม่สวยพระท่านนั่งอยู่เฉยๆยังวิจารณ์ท่านได้ด้วยท่านไม่เฉียงนั่งยิ้มยิ้ม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 คนที่สแสวงหาทางพน้นทุกข์มีมาเยอะแยะก่อนพระพุทธเจ้าบางคนฉลาดรู้ว่าความปรุงแต่งทำให้เกิดความทุกข์ก็เห็นในความปรุงแต่งมาจากสัญญาหาทางดับสัญญาบางคนเห็นอีกตัณหาทำให้เกิดทุกข์อย่างพวกนี้ครนนะรู้นะตัณหาทาให้ทุกข์หาทางละตัณหา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 ชี่เ้าชายศรทธ า, ทาไม่งงนะบารมีเต็มนะซ้อนลงดูลงไปดูลงไปนะตัณหามาจากอะไรอีกมีกิเลสก็มีตัณหานะราคาเกิดนันก็อยากได้อยากมีอยากเป็นโทสะเกิดก็อยากให้หายไปกิเลสตามหลังเวทนามาแทรกมากับเวทนานความสุขเกิดขึ้นราคาก็เกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นโทสะก็เกิดขึ้น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 ต่ววิญญาณอย่างลงไปนะวิญญาณอย่างลงไปกระทบจิตนะจิตก็เกิดขึ้นเกิดความรู้สึกนึกคิดต่างๆกระทบเจตสิกเกิดขึ้นมาวิญญาณขยายตัวแผ่ออกไปกระทบรูปรูปก็ปรากฏขึ้นมานตัวนี้เห็นยากล ะ, ะเกินปัญญาที่พวกเราพาวนานในขั้นนี้จะมองเห็นก็ได้แต่คิดตามหลักลอจิกไปว่า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 ปรุงขึ้นมาแล้วก็สลายไปในความว่างแต่มันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นพอมันปรุงขึ้นมานมันมีจิตที่ไปรับรู้เข้าจิตไปรับรู้ความปรุงแต่งนะจิตนั้นขยายความรับรู้ออกไปก็ไปรับรู้รูปธรรมนามาทำได้อีกความปรุงแต่งเลยขึ้นมาจากไหนเมาจากอวิชชาความไม่รู้ละไม่รู้พระพุทธเจ้าบางพระองค์ น, นะท่านเห็นแค่ว่า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 ท่านก็ทอ้อใจนะแต่เสร็จแล้วท่านก็เกิดความครุณาเพราะใจของท่านนะสะสมความครุณาม า, มากเรายังรู้ได้ทำไมคนอื่นจะรู้ไม่ได้นะพวกกิเลสบางๆมันก็ยังมีอยู่ท่านก็ออกมาสอนนะนล้วสอนไปกิเลสของท่านตายไปในวันที่บรรลุพระอรหันตนะ์นั่นแหละแล้วอยู่มาอีกสี่สิบห้าปีสอนอีกสี่สิบห้าปีขันของท่านก็ตายไปนะทมของท่านไม่ตาย ทำเพราะท่านไม่เคยตายพวกเราก็ได้อาศัยร่องรอยที่ท่านทิ้งไว้ให้ขยันเดินตามท่านไหนมาเรียนรู้ลงในรูปนามนะจนล้างความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนดูลงไปเถอะรูปนามไม่ใช่ตัวตนอยู่แล้วไม่ต้องหาทางทําให้มันไม่เป็นตัวตนลัที่อื่นๆที่ท่านไปเรียนมาก่อนทําไมพ้นกิเลสไปไม่ได้ล้วนแต่ลัที่จัดการทั้งนั้นเลย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 เอาเชิญเลยทันเข้านิมอนเลยครับนิมน